การที่พวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขสบายใจเราต้องรู้จักทำใจกันถ้าเราทำใจเป็นใจของเราจะสบายจะไม่ทุกข์จะไม่เสียใจจะไม่เดือดร้อนใจถ้าเราทำใจไม่เป็นใจเราจะวุ่นวายไปเรื่อยๆ ไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับตนเองกับชีวิตของตอนเองกับร่างกายของตอนเองเนองเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราไปวุ่นวายด้วยนั้นเขาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปบางที เขาก็เป็นตามที่เราต้องการเราก็สบายใจเวลาที่เขาไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะเสียใจไม่สบายใจความสบายใจความไม่สบายใจอยู่ที่ความต้องการของเราถ้ามีความต้องการแล้วไม่ได้ดังที่เราต้องการก็ไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าไม่มีความต้องการความไม่สบายใจก็จะไม่เกิดขึ้นเหรานเราควรจะมาหัดอยู่แบบไม่มีความต้องการกับอะไรจะดีกว่าเพราะการมีความต้องการนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องนําไปสู่ความไม่สบายใจความเสียใจ วิธีที่อยู่แบบไม่ต้องมีความต้องการก็คืออยู่ด้วยความมาักน้อยสันโดษความมาักน้อยสันโดษนี่เป็นธรรมอันวิเศษที่จะคุ้มครองรักษาใจให้อยู่อย่างสบายใจมักน้อยก็คือไม่ต้องการมากต้องการน้อย คนต้องการน้อยนี่มันสบายกว่าคนต้องการมากะคนต้องการเงินเดือนเดือนละหมื่นกับคนที่ต้องการเงินเดือนเดือนละแสนนี่ใครจะเหนื่อยกว่ากันคนที <Yes>, planning, ่ต้องการเงินเดือนแสนก็ต้องหางานหาอะไรเลือกงานกว่าจะได้คนที่ต้องการน้อยเงินเดือนเดือนหมื่นอะไรทําที่ไหนก็ทําได้หมดเงินเดือนหมื่นนี่หาง่ายกว่า เงินเดือนแสนณเวลาตกงานก็เส <ip os> ียใจน้อยกว่าคนที่ได้เงินเดือนมากคนได้เงินเดือนมากเวลาตกงานก็เสียใจมากคนที่ได้เงินเดือนน้อยเวลาตกงานก็เสียใจน้อยยิ่งถ้าคนที่ไม่เอาเงินเดือนเลยยิ่งไม่เสียใจเนี่ยมาบวชพระแล้วไม่มีเงินเดือน เดือนละสามสิบาทวันละบาทเนี่ยพระได้เงินเดือนเดือ น, อนละสามสิบบาทวันละบาทเนี่ยบาทหนึ่งใบตอนเช้าไปบินทบาทอาหารก็เต็มบาทแล้วอยู่ได้ละเห็นไหมนี่แหละความมักน้อยที่พระเจ้าทรงสอนมักน้อยที่สุดก็คือพระ ถ้าทำแบบพระได้แล้วความทุกข์ความเสียใจนี่จะน้อยลงไปมากมักน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพอเรามีความจาเป็นต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้มีเท่าที่จำเป็นอย่างที่นายหลวงเล่าเก้าท่านเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ให้มีพอที่จะอยู่ได้ไม่ไม่ยากลำบากไม่อดอยากขาดแคลนคือในปัจจัยสี่ให้มักน้อยในปัจจัยสี่ยินดีหรือถ้ามักน้อยแล้วยังไม่ได้ตามที่มักน้อยก็ต้องให้ใช้สันโดษคือถ้าได้น้อยก่อนมากน้อยเช่นเบนบาตรแทนที่จะได้เต็มบาทได้ครึ่งบาท <laughs> อนนี้ก็ต้องยินดีแสดงหรือทำงานเดือนละหมือนแพอดีเข า, อาขอลดเงินเดือนลงเหลือห้า0มื่นห้าพันก็ยินดีตามมีตามเกิดก็จะไม่ทุกข์มากน้อยนี่กับสันโดษนี่สันโดษนี่เก่งกว่ามากน้อยคือมากน้อยต้องมีเท่าที่ ต้องมีเท่าที่ร่างกายต้องการจะมีแต่สันโดษนี่บอกถึงแม้จะไม่ได้เท่าที่ต้องการจะมีก็ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้สันโดษสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็พอใจมีเท่าไหร่ก็พอใจไม่เคยไม่มีความคิดว่าอยากจะได้มากกว่า ที่มันมีอยู่หรือที่ได้มาแต่ความมากน้อยสันโดษไม่ได้หมายความว่างอมืองอเท้าไม่ไม่ให้ทำอะไรถ้ากงมือกงอเท้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยต้องทำงานต้องทำมาหากินทำอะไรเลี้ยงชีพแต่ไม่ต้องทำมากเกินไปเกินความจำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ มีความสุขสบายใจเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดมันกลับจะทำให้มีความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าต้องการมากก็ต้องเหนื่อยมากต้องหามากแล้วก็ต้องผิดหวังมากเวลาที่ไม่ได้ถ้าต้องการน้อยหาน้อยมันหาง่ายกว่าแล้วก็ เวลาเสียไปก็เสียน้อยคนขอทานตายกับคนเศรษฐีตายเนี่ยใครตายแบบสบายกว่ากันเศรษฐีตายเนี่ยโอ้มานั่งคิดกูจะแบ่งสมบัติให้ใครดีบ้างขอทานตายกูไม่มีสมบัติแบ่งให้ใครตายอย่างสบายจริงๆคนที่มีน้อยแล้วทำใจได้เนี่ยมีความสุขกรา คนที่มีมากแล้วทาใจไม่ได้มีมากแล้วทาใจไม่ได้ก็คื อ, อยังอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆคือถ้ามีมากแล้วยังต้องการมากมันก็เหนื่อยอยู่เรื่อยแต่คนที่มีน้อยแล้วทาใจว่าพอแล้วมีเท่านี้ก็พออยู่ได้แล้วก็จะไม่เหนื่อยจะไม่ยุ่งยากจะไม่วุ่นวายใจ จะมีความสุขเนี่ยความสุขใจอยู่ที่การไม่วุ่นวายใจไม่เสียใจไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปดิ้นรนเท่าที่จําเป็นเพื่อการดํารงชีพความสุขใจอยู่ตรงเนี้อยู่ที่การทําใจให้รู้จักคําว่าพอถ้ารู้จักคําว่าพอแล้วก็จะสบายะ พอก็คือพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอะไรบ้างต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งหม่มต้องการยารักษาโรคต้องการที่อยู่อาศัยแล้วต้องการมากน้อยเพียงไรก็พอที่จะดับความ ทุกยากเดือดร้อนทางร่างกายได้ก็ถือว่าพอเพียงแล้วถ้ามีอาหารไว้ดับความหิวก็พอแล้วนับประทานวันละสองสามมือก็อยู่ได้แล้วสำหรับร่างกายอาหารก็ราคาแพงราคาถูกมันก็อาหารเหมือนกัน อาหารมันทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือเลี้ยงดูร่างกายกำจัดความหิวของร่างกายจะเป็นอาหารมื้อละร้อยหรือมื้อละพันมันก็ทำหน้าที่ได้อย่างเดียวกันทำไมเราเป็นต้องไปเสียเงินเยอะเพื่อได้สิ่งที่จะมาทำหน้าที่อันเดียวกัน ถ้าเรากินมื้อละร้อยเรากินได้สิบมือ้อถ้าเรากินมื้อละพันเรากินได้มื้อเดียวเขียดูต้องใช้เหตุผลถ้าเราไม่ใช้เหตุผลเราจะถูกความหลงความอยากหลอกเราให้คิดว่ากินอาหารมื้อละพันนี่มีความสุขมากกว่ากินอาหารมื้อละร้อยความจริงทางร่างกายมันเท่ากัน มันสุกทางจิตใจเดียวเดียวเท่านั้นเองสุขตอนที่ถ่ายรูปอาหารส่งไปให้เพื่อนดูถ่ายบรรยากาศของสถานที่ที่เราไปรับประทานโอ้ที่นี่มันโก้มันรู้มันสวยมันงามมันเพลิดเพลินตาแต่ใจมันกินที่ไหนหรอของพวกเงินนะร่างกายมันกินที่ไหนร่างกายมันไม่ได้กินนะ ร่างกายมันกินอาหารอาหารมันก็อย่างเดียวกันเนี่ยแต่ขายที่คนละที่ราคามันก็เลยแพงขึ้นไปเท่านั้นเองถ้าขายข้างถนนขายแม่ค้าข้างถนนมันก็ราคาถูกพอเข้าไปขายในโรงแรมในร้านอาหารที่มีเครื่องประดับประดามีบรรยากาศเนี่ยเราไปกินบรรยากาศกันรู้เป่าไม่ได้ไปกินอนะ่ะ เสียเงินเสียเงินไปซื้อบรรยากาศมากินเราต้องรู้เหตุผลของการกินว่ากินเพื่อใครกินเพื่อร่างกายหรือ ก, กินเพื่อใจถ้ากินเพื่อใจก็ไม่ต้องไปกินไปเปิดดูภาพก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปดูในเฟซบุ๊กของคนนั้นคนนี้เ ข, า, เขาไปกินที่นั่นที่นี่เราก็ดูบรรยากาศไป แล้วเราก็ซื้อส้มตำเลยมัน <laughs> มันนั่งกินที่บ้านมันก็เหมือนกันนะทำไมต้องไปเสียเงินทองมากมายนี่แหละชีวิตเราวุ่นวายกันเงินทองไม่พอใช้กันเพราะหลงไหลไปกับอของหลอกของปลอมของจริงเนี่ยเสียไม่ีราคาไม่เท่าไรละไปเสียกับของปลอมเนี่ยเช่นไปเสียกับบรรยากาศเนี่ย อาหารก็เหมือนกันส้มตําในร้านอาหารกับส้มตําข้างถนนมันก็ส้มตําเหมือนกันกินแล้วก็อิ่มท้องเหมือนกันแต่เราต้องเสียเงินมากซื้อส้มตําแพงเอเพราะมันอยู่ในร้านที่มีบรรยากาศนก็เท่านั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาสอนใจอย่าไปหลงไหลกับ เสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใช้อะไรใช้มันตามความตามความต้องการของร่างกายอย่าให้มันเป็นไปตามความต้องการของใจแล้วใจเราจะได้ไม่เดือดร้อนมากไม่ต้องวุ่นวายมากถ้าเราหลงไหลกับความหรูหราหลงไหลกับความฟุ่มเฟือยเราจะต้องดินน้นรนหาเงินหาทอง มากแล้วต้องใช้เงินทองมากแล้วถ้าเกิดเราหาไม่ได้เราจะไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรากินอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้ใจของเรานี่ไม่ต้องดิ้นดนมากอย่างเป็นพาสนี่ก็วันเช้าตอนเช้าก็เดินไปบินทบาทสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ละ อาหารไวเลียงเลี้ยงนั่งกายไม่ต้องรุนหวายอะไรมากแล้วอาหารก็แล้วแต่จะได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดไปรับรองได้ว่าความวุนหวายใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่จะไม่ค่อยมีถ้าเราจู้จี้จุกจิกเลือกกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ สถานที่ต้องมีบรรยากาศแบบนั้นแบบนี้บางทีต้องขับรถไปชั่วโมงสองชั่วโมงไปหาที่กินกันมักินแป๊บเดียวความสุขที่ได้จากการกินก็เดี๋ยวเดียวพอกินเสร็จออกจากสถานที่นั้นไปมันก็หมดไปละแบบเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเราไม่รู้ว่า เวลาของเราเนี่ยไม่ควรจะหมดไปกับสิ่งไร้าสาระเหล่านี้ควรจะเอาเวลาของเรามาหาสิ่งที่มีสาระที่มีคุณมีประโยชน์ต่อ จ, จิตใจของพวกเราจะดีกว่าอย่าไปให้ความสำคัญมากเกินไปกับทางร่างกายทางร่างกายมันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของมัน คือมันก็จะต้องตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาบำรุงบำเลอให้กับทางร่างกายมันก็หมดสภาพไปไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ความสุขอะไรต่างๆให้กับใจของเราได้ให้เรามาหาความสุขทางใจโดยตรงเลยดีกว่าอย่าไปหาความสุข ใจผ่านทางร่างกายผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะมันเป็นความสุขเดียวๆ เ, เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป <c oughs> ให้มาหาความสุขทางใจโดยตรงดีกว่าคือมาคอยทำใจให้มักน้อยสันโดษอยู่เรื่อยๆ แล้วใจจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่ยังต้องมีอยู่แต่จะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องดดินรนคอยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะว่าพอได้มาแล้วมันไม่ได้ทำให้เราพออมันทำให้เราดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกอยากได้มากขึ้นไปอีกอยากจะได้ดีให้มันดีกว่าเก่าขึ้นไปอีกอยากจะได้ของที่มีราคาแพงขึ้นไปอีกได้เท่าไหร่มันก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็หายไป ล้วถ้าอยากจะได้อยากจะดีใจก็ต้องได้มาอีกและอาจจะต้องได้ดีกว่าเก่าถ้าได้ดีเท่าเก่ามันก็มีมีความรู้สึกไม่ดีใจเหมือนกับได้ของที่ดีกว่าเก่านี่แหละคือความสุขที่เหมือนหลอกเราให้เราต้องตะเกียกตะกายให้เราต้องคอยสรรหาสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลก สิ่งที่มีคุณค่าราคาสูงขึ้นไปได้เอยมันถึงจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขเดียวๆความสุขที่ได้ตอนได้มาใหม่ๆพอได้มาแล้วมันก็มันก็หายไปดูบันทีไรก็ไม่เห็นมันสุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆ ของที่เราเห็นในร้านนี่พอเวลาเราอยากได้ขึ้นมานี่พอเราได้ซื้อนี่โอยมันมีความสุขใจแต่พอกลับมาบ้านทิ้งไว้สักวันสองวันดูยังไงมันก็ไม่สุขใจเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆนะมันทำให้รู้สึกว่าต้องหาอะไรใหม่มาเพิ่มอีกแล้วถึงจะได้ความสุขแบบนั้นอีกนี่คือการ หาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะไม่ได้ทำให้ใจเราเกิดความพอเกิดความอิ่มขึ้นมามันจะทำให้ใจของเราอยากเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จึงไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องนั้นต้องหาแล้ว พอได้มาแล้วต้องทําให้เรามีความรู้สึกพอไม่ต้องการอะไรอีกนะอันนั้นแหะถึงจะเรียกว่าเป็นความสุขเพราะถ้าเราพอแล้วเราก็สบายเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปหามาอยู่เรื่อยๆสิ่งใดที่เราหามาแล้วแล้วทําให้เราไม่พอสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นของปลอมไม่สามารถ ตอบสนองโจทย์ของใจของเราได้คือทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานี้มีความอิ่มมีความพอได้ก็ต้องอยู่ที่ใจของเรานี่เองอยู่ที่ความมากน้อยความสันโดษถ้าเรามีความมากน้อยความสันโดษ เราจะรู้สึกว่าได้อะไรมาเราก็พอเพราะเราไม่ต้องการมากต้องการน้อยแล้วได้ไม่เท่ากับความต้องการก็ยังพออยู่เพราะเรามีสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่ได้ยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ การที่เราจะทำใจให้เป็นสันโดษมากน้อยได้เราต้องมากําจัดตัวที่คอยทำให้เรามากมากกันตัวที่ทำให้เรามากมากคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาเนีเ่กิเลสนี่คือความโลภโลภก็คืออยากได้มากอยากได้มีเท่านี้ไม่พอมีร้อยอยากจะได้พัน มีพันอยากจะได้มื่นมีมื่นอยากจะได้แสนเนี่ยอันนี้เรียกว่าความโลภถ้าความมากน้อยมันก็จะมีขอบเขตเช่นต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอต้องมีค่าอาหารเดินละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่พอมีพอกับค่าอาหารแล้วก็พอ เช่นถ้าต้องมีอาหารวันละมือละร้อยวันละ 300, สามร้อยสามืออพอหาได้สามร้อก็พอไม่ต้องการสามพันไม่ต้องการสามหมื่นไม่ต้องการสามแสนเรียกว่ามักน้อยถ้าหาไม่ได้สามอได้แค่สองอก็พอเพราะมีสันโดษมีความยินดี กับตามมีตามเกิดความต้องการของร่างกายต้องการสามร้อยแต่หามาได้แค่สองร้อยก็เอาก็พอก็แบ่งแทนที่จะกินสามมือ้อก็กินสองมือ้อมือแบ่งมือจากร้อยมือละร้อยก็ลดลงเหลือมือละเจ็ดสิบหกสิบไปหารสามก็อยู่ได้ร่างกายมันไม่ไม่ตายทันทีทันใดหรอก ถ้าไม่ได้กินครบสามมือกินขาดบ้างขาดวันสองวันกินทีก็ยังอยู่ได้พระพุทธเจ้าไม่กินสี่สิบเก้าวันก็ยังอยู่ยังไม่ตายแต่เพีงแต่ว่ามันผอมนั่นนั่นเองเนื้อไม่มีไขมันไม่มีเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ไม่ตายร่างกายมันไม่ได้ตายกับการขาดอาหาร กว่าจะตายจากการขาดอาหารได้นี้ต้องหลายสิบวันมากกว่าสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายแล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายจะมีขอบมีเขตเนี่ยคือมาตรการในการควบคุมความโลภความอยากความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตได้เท่าไหร่มันไม่พอ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบ ว, ว่ามหาสมุดนี่ยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนยังมีฝั่งยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมันจะขยายไปเรื่อยๆไม่เชื่อไปดูเสื้อผ้านในตู้ดูๆๆว่ามีกี่ชุดนะเคยทำสำรวจดูบ้างหรเปล่าตอนนี้เรามีเสื้อผ้ากี่ชุดด้วยกัน แล้วร่างกายที่จะใส่เสื้อผ้ามีกี่ร่างกายาถ้าร่างกายมันเพิ่มเสื้อผ้ามันก็ต้องเพิ่มตามร่างกายแต่ร่างกายมันก็ร่างกายอันเดียวแต่เสื้อผ้าทำไมมันเพิ่มมาเพิ่มมาทั้งทั้งที่เวลาใส่มันก็ใส่ได้ทีละชุดอยู่ดีมันไม่ได้ใส่ทีละสามสิบชุดยี่สิบชุดเนี่ยมันใส่ทีละชุดแล้วทาไมต้องไปมีเยอะแยะเพื่ออะไร ถ้าเพื่อร่างกายร่างกายมันมันไม่ต้องการมันต้องการชุดเดียวชุดไหนก็ได้ที่ต้องการหลายชุดก็เพราะกิเลสมันต้องการกิเลสมันหลงมันถูกความหลงหลอกว่ามีชุดนั้นแล้วจะเสร็มบุคลิกทำให้กลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาวิเศษกับคนนี้ถ้าใส่ชุดนี้สู้ใส่ชุดนั้นไม่ได้ชุดไหนที่มีนสุ สู้ชุดที่อยู่ในร้านไม่ได้มีมีอยู่กี่ชุดในบ้านก็ซู้ชุดที่อยู่ในร้านไม่ได้พอเห็นชุดที่อยู่ในร้านเนี่ยรู้สึกว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาโอ้ยถ้าใส่ชุดนี้แล้วจะจะสวยจะงามจะโก้จะหรูจะมีบุคลิกอันนี้มันหลอกเราเนี่ยใจมันหลอกมันปรุงแต่งหลอกเราให้เรา ต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้มาตรการความมากน้อยสันโดษมาคอยควบคุมมันเราต้องอมีเราต้องกำหนดกรอบหรือขอบหรือฝั่งของของทะเล พอเรามีฝั่งมีขอบของความอยากแล้วความอยากมันก็จะไม่สามารถที่จะขยายตัวไปได้เช่นเอา้าดูเสื้อผ้าว่าเราจำเป็นจะต้องมีกี่ชุดเอ้าจำเป็นจริงๆต้องมีกี่ชุดเอ้าถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็สามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่เอชุดหนึ่งไว้ซักเอชุดหนึ่งไว้สำรอง เกิดวันไหนฝนตกแล้วมันไม่แห้งก็มีสำรองไว้ชุดหนึ่งเนี่ยก็มีสามชุดก็พอแล้วของพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีสามผืนก็พอะมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าไตจีวอนจีวอแปลว่ า, า, าผ้าห่มมีสามผืนก็พอหนึ่งผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาว เรียกว่าหนึ่งไตรไตรแปลว่าสามนี่แหละความมักน้อยสันโดษสุดๆก็ต้องดูที่ของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระนี่ให้มักน้อยให้สันโดษที่สุดของมนุษย์เลยเสื้อผ้าก็ให้มีแค่สามชุดแล้วผ้าก็ไม่ต้องไปซื้อตามร้านให้ไปเก็บตามป่าชาเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้ว ผ้าหอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพไม่ผังเผาศพไม่เผาไม่ไม่ฝังศพเขาเอาศพห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งในป่าชาให้มันให้มันเน่าเปื่อยไปให้มันเป็นอาหารของแรง้งของกาของอะไรไปส่วนผ้าที่หอ่อมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีใครต้องการถ้าสมัยพุทธกาลนี่ ตอนที่เป็นพระตอนที่ตั้งศาสนาใหม่ๆยังไม่มีใครศรัทธามากมีแค่ใส่บาทเพราะว่าพระเดินไปในหมู่บ้านถือบาทเขาก็เลยรู้ว่ามาขออาหารเขาก็ใส่าบาทให้พระก็ไม่เคยบอกว่าขอจีวรขอผ้านุ่งผมเมื่อไม่ข อ, ขอเขาก็ไม่ได้ให้พระก็เลย ไปหาเอาตามป่าชา้าใช้ผ้าที่มันไม่มีราคามันดีตรงที่ว่าไม่มีใครอยากได้อยู่ในป่าถ้าใช้ผ้าดีๆเดี๋ยวอาจจะถูกจนมาโป้นไปได้ถ้าเป็นผ้าแพรผ้าไหมมีราคาแพงๆเดี๋ยวถูกจี้ไปเดี๋ยวกลายเป็นชีเปลยไปไม่มีผ้าใส่แต่ถ้าเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าราคานี่ จะไม่มีใครต้องการปลอดภัยเนี่ยนี่คือความมากน้อยสันโดษเสื้อผ้านี่ก็เอาเท่าที่จําเป็นจริงๆท่านนั้นสําหรับผ้านี่ท่านก็สามผืนีก็พอเวลาซักก็สลับกันซักทีแล้วผืนะซักผืนนี้ก็มีผืนนึงไว้ใส่แทนพอจะซักอีกผืนก็ใช้อีกผืน ซักไปสลับกันไปมีสามผืนนี้ก็อยู่ได้้ะสำหรับเครื่องนึ่งห่มของร่างกายอาหารก็เบิตทบาดเนี่ยถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแต่ศรัทธาผู้ที่มีความศรัทธามีความใจบุญอยากจะทำบุญก็ใส่อะไรไปไม่เรียกร้องไม่ขอร้องไม่บอกเมนูไม่เชีย ไม่เขียนใส่กระดาษส่งให้โยมนี่คือเมนูของพระ <c ười> เคยได้ข่าวว่ามีสำนักหนึ่งเขาจะฉันเจนแล้วพอญาติโยมคนไหนไม่รู้ไปใส่เนื้อสัตว์ให้เขาจะมีหนังสือแจกให้เพราะว่าสำนักนี้เขาเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินบางสาวรพิษบอกให้ญาติโยมรู้แต่นี่ไม่ได้เป็น ธรรมเนียมของพระที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าห้ามพระขอห้ามบอกว่าอยากจะได้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ผิดพระวินยัยผิดผิดธรรมเนียมของพระผิดจากความสันโดษสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดเขาจะให้อาหารอะไรมาก็เป็นเรื่องของเขาแล้วแต่ความสะดวก ถ้าเขากินเจเขาอยากจะแบ่งอาหารเจใส่บาตก็ได้ถ้าเขากินเนื้อสัตว์เขาจะแบ่งอาหารใส่เนื้อสัตว์มากินก็ได้เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีร้านที่เราจะไปซื้อมาเขาก็ทํากับข้าวกินกันที่บ้านแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้กับการใส่บาตไปถ้าเราไปบอกเขาว่าต้องฉันกินเจถ้าบ้านนี้เขาไม่กินเจเขาก็อยก็อยากกิน ก็แล้วกันเพราะเขาไม่ได้ทําอาหารเจอัอนนี้การบินตาบัตินี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้รับเพียงอย่างเดียวการบินฑบาติของพระนี่เป็นการโปรดสัตว์ด้วยคือเป็นการโปรดให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานแต่ถ้าพระไปกําหนดอาหารว่าต้องกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ ญาติโยมเขาไม่ได้กินอาหารที่นั้นชนิดนี้เขาก็ไม่มีอาหารมาใส่บาตรให้ญาติโยมที่อยากจะได้บุญอยากจะทําบุญก็กลับจะไม่ได้ทําบุญดังนั้นพระจึงห้ามขอห้ามบอกว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ยกเว้นมีผู้ถามถ้ามีผู้ถามหรือมีผู้เสนอตัว ว่าถ้าท่านขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอบอกได้ได้อย่างนี้ก็บอกเขาได้แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักคนที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือไม่ได้เป็นญาติญาตินี้บอกได้ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องบอกได้บางทีขาดยาขาดจีวร อ, อะไรทำนองนี้หรือขาด ต้องการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีค่าใช้ใจ่ายสําหรับการเดินทางจะเป็นเงินทองหรือว่าจะมีรถมารับส่งก็สุดแท้แต่อย่างนี้ต้องบอกกับคนที่เขาเป็นญาติกันหรือบอกกับคนที่เขาเสนอตัวแสดงตัวไว้ก่อนว่าถ้าท่านต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอโปรดได้บอกอย่างนี้ก็บอกก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่บอกนี่ก็ต้องตามมีตามเกิดมินตะบะก็ตามมีตามเกิดเขาจะใส่อะไรมาก็รับประทานไปเขาจะเขาจะใส่อาหารที่มีเนื้อสัตว์มาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วเขากินเนื้อสัตว์ทาทําเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารนี่ ก็เป็นเรื่องปกติของเขาข้อสําคัญอย่าให้เขาทํามาเพื่อเจาะจงเพื่อเราเพื่อพระเช่นออยากจะให้พระกินแกงไก่แล้วก็เลยฆ่าไก่มาเจาะจงเพื่อที่จะเอามาใส่บาตรแล้วก่อนจะใส่ก็บอกพระว่าเนี่ยผมวันนี้ทําแกงไก่มาพิเศษสําหรับพระผมเอาฆ่าไก่ที่บ้านผมมา ถ้าก็บอกอย่างนี้ถ้ารู้ก็รับไม่ได้ต้องปฏิเสธไปไม่ต้องการส่งเสริมให้เขาทําบาปเพื่อมาอทําบุญให้เขาทําบาปไปตามปกติของเขาแล้วเขาเคยทําบาปของเขาแ้วเขาเคยฆ่าสัตว์เพื่อทำมาเป็นอาหารของเขาเช่นเขาอาจจะต้องไปยิงนกตกปลามาทําเป็นอาหารของเขาอยู่ตามปกติอยู่แล้ว จะมาใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรเขาก็ทำอย่างนี้ตามปกติเงี้็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเขาไม่เคยฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารแต่อยากจะให้พระได้กินเนื้อสัตว์เขาก็เลยไปฆ่ามาทำเจาะจงแบบนี้รับไม่ได้ไม่ส่งเสริมไม่ให้เขาทำไม่ควรทำคือให้เขาแบ่งอาหารที่เขากินของเขาตามปกติไว้ใส่บาตร เขาเคยกินอาหารอย่างไรหาอาหารมาด้วยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องของเขาเพราะคนแต่ละคนวิธีการหาอาหารก็ไม่เหมือนกันบางคนมีเงินทองก็ไปซื้ออาหารซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วก็ได้ก็มีบางคนไม่มีเงินทองอยากจะกินปลาเขาก็ไปตกปลามากินอยากจะกินนกเขาก็ไปคอยยิงนกใบดักนก แล้วเขาก็มาทำอาหารทำอาหารแล้วเขาก็มาแบ่งใส่บาตรอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเขาทำตามปกติของเขาแต่ถ้าเขาทำเจาะจงธรรมดาก็ไม่เคยยิงนกตกปลาเขาอยากจะทำอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาถวายพระโดยเจาะจงธรรมดาเขาไม่เคยฆ่าสัตว์เพื่อมาทาอาหารกินแต่เนื่องจากเขาคิดว่า การทําอาหารดีๆให้พระกินแล้วจะได้บุญมากเขาก็เลยอยากจะได้บุญมากเขาก็เลยไปฆ่าสัตว์เพื่อเอามาทำอาหารอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถูกถ้ารู้พระรู้ก็ไม่ไม่รับไม่ไม่ไม่ส่งเสริมไม่รับอาหารนั่นบอกได้เท่านี้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทําบาปเพื่อมาทําบุญ คือเขาทำอะไรมาแล้วแต่ถ้าเขาเป็นเป็นการรับประทานอาหารของเขาตามปกติของเขาถ้าเขาเคยทำเขาเคยกินอย่างไรมาแล้วเขาแบ่งอาหารที่เขาเคยกินมาใส่บาตรนี้ได้ถึงแม้เขาเคยเขาไปฆ่าปลามาเพื่อมาทำอาหารแล้วเขาแบ่งปลามาใส่บาตรนแต่ไม่ได้ทำเจาะจงไปฆ่าเจาะจงเพื่อที่จะมาใส่บาตรแต่เขาทำขาเขาทของเขาอย่างนี้เป็นปกติของเขา ก็นั่นแหละที่บอกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามถ้าเขาทําของเขาตามปกติอยู่แล้วเขาเคยกินเคยทาอย่างนี้มาก่อนจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรเขาก็ทําอย่างนี้ของเขากินพอดีวันนั้นเขาอยากจะใส่บาตรเขาก็แบ่งอาหารที่เขาทามาที่เขา ท, ทําทตามปกติของเขามาใส่บาตรให้กิน <Beast. S 2> อันนี้ อ๋อมันได้คนละเรื่องแล้วแหมพูดกันรู้อะไรก็ไม่รู้กำลังลพูดเรื่องนี้ไปพูดเด็กเรื่องหนึ่งก็เลยอ๋ อ, รรอเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์นี่ถ้าจะถวายพระนี่ต้องเป็นอาหารสุกแล้วเนื้ อ, เ น, อเนื้อที่สุกแล้วแบบสุกๆดิบๆนี่ไม่ได้พวกอาหารญี่ปุ่นนี่พวกปลาดิบทั้งหลายนี่นเหรออเองเรอเอีาถวายว้ที่พอาารล้ย ก็นั่นแหละถวายได้แต่ผ้ารุ้ยก็พระไม่ไปฉันนั่นเองบางทีเจอเข้าหมกเข้าหมากอะไรนี้เขาใส่บาดมาก็ใส่ก็รับไปไปบอกเขาไม่ได้ว่าห้ามใส่เอแต่พระมีข้อห้ามของผ้าเองห้ามฉันนก็ไม่ฉันอย่างหลวงปู่มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยไปอยู่กับชาวเขาเนี่ยแล้วท่านไปบินธบัตได้ปารามาห่อนึง คีดว่าจะได้กินอาหารแต่พอดีเป็นปลาลาดิบไงท่านรู้ว่าเป็นปลาล่าดิบท่านก็ไม่ฉันนะก็เลยกินฉันข้าวเปล่าออไปวันนะั้นอันนี้พระฉันของดิบไม่ได้ฉันเนื้อไข่ก็ต้องสุกเนะี่ยไข่อย่างที่ยังเป็นเป็นเหลวๆอยู่เนะี่ยใส่ไข่ที่ใส่โจ๊กไข่ดาวอะไรพวกเนี้ย<ล>ที่ออ<ล>ถือว่ายังไม่สุกเต็มที่แล้วคนทที่ําไปาจะบบ อ, อ๋อไม่บาปหรอก ไม่บาปเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เนี่ยถึงจะมีหนังสือเล่มสีเหลืองนี่ของพระอาจารย์เปลี่ยนนะท่านเขียนวิธีปฏิบัติกับพระว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรอาหารควรจะเป็นอาหารอย่างไรชนิดไหนพอพระก็อยู่ดีๆจะไปบอกโยมก็ไม่ได้เพราะห้ามก็เลยต้องทำเป็นหนังสือธรรมะขึ้นมา ถ้าเป็นการเผยแผ่ธรรมะนี้ได้ไม่เจาะจงกับใครกับคนรับด้วยคนใหเอย่างนี้พูดอย่างตอนนี้พูดได้เนี่ยเพราะไม่ได้พูดเพื่อที่จะรับสิ่งต่างๆจากศรัทธายาตโยมแต่พูดเพื่อสอนให้รู้ว่าวิธีอยู่ของพระเขาอยู่อย่างไรแล้ ว, วสิ่งที่ญาตโยมควรจะถวายให้กับพระนี่ถวายอย่างไร ถ้าญาติโยมอยากจะให้พระขอญาติโยมก็ต้องบอกพระไว้ก่อนว่าถ้าญาติถ้าญาติถ้าท่านต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็บอกได้เวลาที่ท่านขาดแคลนถ้าอย่างนี้พอพระเขาขาดแคลนเขาก็พูดไดพ้พอบอกคนที่เขายินดีมันไม่เป็นปัญหาไงถ้าอยู่ดีๆไปบอกคนที่เขาไม่พร้อมหรือเขาไม่ยินดีก็อาจจะเป็นปัญหาได้ คนที่ไม่พร้อมพอพอมาขอแล้วไม่ไม่พร้อมที่จะให้ก็จะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแล้วอาจจะคิดไปว่าบาปหรือเปล่าความจริงไม่บาปหรอกถ้าเราไม่พร้อมที่จะทําบุญเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญเท่านั้นเองแล้วาคนเราเวลาจะทําทบุญก็ต้องมีอารมณ์ใช่ไหมถึงจะทําทบุญกันเถอะแต่ไปขอตอนที่ไม่มีอารมณ์นี่เดี๋ยวก็ ก็ก็ก็ยุ่งก็เลยสั่งไว้ไม่ให้ไปขอกับคนที่ไม่ไม่ได้ปะวาราณาตัวเือไม่ได้ไปเสนอตนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทราบว่าถ้าต้องการอะไรบอกได้หรือถ้าเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องนี่บอกได้เพราะว่ายังไงก็ยังเป็นญาติกันอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี่บอกกันได้ ถ้าเป็นคนอื่นนี้ไม่ไม่ไม่ให้บอกอย่างที่แต่ถ้าสำหรับภาพบางรูปเนะี่ยภาพที่ท่านสันโดษจริงๆมากน้อยจริงๆท่านขาดอะไรท่านก็ไม่บอกท่านก็อยู่ไปตามมีตามเกิดไม่อยากจะไปรบกวนใครยินดีตามมีตามเกิดได้แล้วแต่เขาจะให้มา แต่จะไม่ปริปากบอกว่า อ, อยากได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะได้กุฏิอยากจะได้แท้งน้ำอยากจะอะไรต่างๆก็ไม่พูดปล่อยให้ญาติโยมเขามีตาเขาก็เห็นเองก็มาดูเขาก็เห็นว่าที่นี่ขาดอะไรหรือไม่ขาดอะไรถ้าถ้าเาถามก็บอกได้ว่าที่นี่ขาดอะไรหรือเปล่อา อ, รร อ, อ, อย่างนี้ก็บอกเขาได้ แต่ไม่ใช่พอใครมาก็บอกเลยว่าที่นี่ขาดนู่นขาดนี่นะเดี๋ยวเขาก็เบื่อนะเขาก็จะไม่มาอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามากน้อยสันโดษเพื่อที่พระจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับปัจจัยสี่มากจนเกินไปเพราะเป้าหมายของการบวชนี้ไม่ได้อยู่ที่การหาปัจจัยสี่เป็นหลักปัจจัยสี่นี่เป็นเพียงเป็นส่วนที่ต้องมีไว้พอให้ ร่างกายอยู่ได้เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มามาหาสิ่งที่ต้องหาก็คือความพอความพอที่จะเกิดขึ้นภายในใจความมักน้อยสันโดษนี้มันยังบางทีมันก็สู้กับความอยากไม่ได้บางทีความอยากมากๆความมักน้อยสันโดษก็อาจจะสู้ไม่ได้ สิ่งที่จะสู้ความความอยากได้นี้ก็คือความสงบต้องมาทำใจให้สงบให้ได้ถ้าทำใจให้สงบก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความโลภได้เพราะเวลาใจสงบนี้ใจจะมีความอิ่มมีความพอขึ้นมามีความสุขและใจก็ไม่คิดปรุงแต่ง เวลาไม่คิดปรุงแต่งความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ความอยากจะเกิดขึ้นมาก็ここต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งนานำทางก่อนเช่นต้องคิดถึงอาหารก่อนถึงอยากจะกินอาหารคิดถึงละครถึงอยากจะดูละครคิดถึงที่เที่ยวถึงอยากจะไปเที่ยวถ้าใจไม่คิดความอยากต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ หรือถ้าจะคิดก็ให้มันคิดไปในเรื่องที่จะทำให้ไม่เกิดความอยากคิดถึงความตายอย่างี้คิดถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแต่ออกไปข้างนอกบ้านอย่างี้ก็อาจจะไม่ออกดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าออกไปนอกบ้านยามค่ำคืนอาจจะถูกป้นถูกจี้ถูกอะไรได้ถ้าจะคิดก็คิดแบบที่จะทาให เกิดความไม่อยากขึ้นมาอย่าไปคิดแล้วทําให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้ายังคิดไม่เป็นก็หยุดมันก่อนดีกว่าพยายามมาฝึกใจควบคุมใจควบคุมความคิดให้มันคิดกับเรื่องที่จําเป็นคือคิดกับเรื่องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลชีวิตของเราไปส่วนในเรื่องที่จะทําให้เกิดความอยากต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องมีก็อย่าให้มันคิดดีกว่าแล้วก็มา หาความสุขจากการหยุดคิดจากการนั่งสมาธิจะดีกว่าเพราะถ้าเราได้ความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วมันเหนือกว่าความสุขทั้งหมดเนียเหนือกว่าความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้ไปดูหนังดูละครได้ไปฟังเพลงได้ไปอยู่กับแฟนความสุขเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการมาทําใจให้สงบไม่ได้ เรื่องอะไรเราไปหาความสุขที่สู้ความสุขที่ดีที่สุดไม่ได้ความสุขที่ดีที่สุดนี่มันไม่ต้องใช้เงินทองด้วยซ้ำไปไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพียงแต่นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทธโทพุทธโทไปควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเท่านั้นเองถ้าทำได้ห้านาทีสิบนาทีก็ได้ความสุข ที่ดีที่สุดนะเราไม่ฝึกกันไม่ทำกันมันก็เลยทำไม่ได้กันเราเคยเหมือนกับเคยถนัดมือขวาก็ใช้แต่มือขวาไปไม่เคยใช้มือซ้ายพอจะให้ใช้มือซ้ายก็ใช้ไม่ถนัดใช้ไม่ได้อลองแปรงฟันมือที่เราไม่เคยแปรงดูสิเราเคยแปรงฟันมือขวาแล้วลองเปลี่ยนมือมาแปรงมือซ้ายดูเหมือนจะแปรงไม่ถนัดเพราะเราไม่เคยฝึก แต่ถ้าเราหัดใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดเหมือนกับมือขวาเรายังไม่ถนัดกับการนั่งสมาธิกับการหาความสุขจากการทําใจให้สงบเราก็เลยรู้สึกยากเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งเหดขึ้นคอไหมยงนั่งเฉยๆหดยังขึ้นคอได้รู้สึกอึอดอัดแ น, น่น น, นุ่นนั่นนี่ขึ้นมาทันที เพราะว่ามันไม่เคยมันไม่ถนัดมันเคยถนัดกับการเคลื่อนไหวเวลาให้มันเคลื่อนไหวให้มันถ้ามันนั่งดูละครนั่งดูทีวีนี้โอ้ยนั่งดูเป็นชั่วโมงไม่รู้สึกอึดอัดเลยมันใจมันมโนมันมีความคิดปรุงแต่งไปกับภาพที่มันเห็นคิดไปมันก็จินตนาการตามไปมันก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่มันเป็นความสุขความเพลิดเพลินที่มีมีผลเสียตามมา คือเวลาที่มันไม่ได้ดูมันก็จะเหงามันก็จะเศร้าหรือถ้ามันดูบ่อยๆมันก็จะเบื่อมันก็มีดูก็เบื่อไม่มีดูก็เศร้าเนี่ยมันปัญหาสู้การมาทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าทําใจให้สงบได้แล้วมันไม่มีวันเบื่อมันเป็นเหมือนของแปลกของใหม่ของสดสดร้อนๆอยู่เรื่อย นั่งทีลรจิตก็สงบมีความเย็นมีความสบาย <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่ยากเย็นอะไรนะความจริงเพียงแต่ให้ควบคุมใจอย่าให้มันไปคิดด้วยการบังคับให้มันดูลมไปอย่างเดียวหรือให้มันพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเท่านั้นเองไม่เห็นมันจะยากไหนแบกภูเขายังยากกว่ายังแบกกันได้นะเป็นภูเขาหิมาลัยยังปีนกันได้เลย ทำไมมานั่งดูลมแค่ น, นี้มันยากตรงไหนะอพวกพวกที่เขาได้เหรียญทองอะไรต่างมันง่ายที่ไหนนะเป็นแชมป์เป็นอะไรนี่กว่าจะได้ในโหเน็ตเหนื่อยขนาดไหนแล้วมาให้นั่งเฉยๆให้นั่งดูลมแค่ น, นี้มันยากตรงไหนะยากตรงที่มันไม่เคยทําเอมันไม่เคยอยู่เฉยๆมันก็เลยพอให้อยู่เฉยๆมันก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการ อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นอุปสรรคทำให้นั่งแล้วไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอดทนทนต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดจากการที่เราไม่เคยชินต่อไปเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยเคยชินไปเองแล้วต่อไปอาการต่างๆมันก็จะหายไปแล้วต่อไปเวลานั่งนี้ก็จะสบายนั่งเดียวๆจิตก็นิ่งสงบ แล้วก็นั่งได้นานทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นเหมือนกับลอยอยู่ในอวากาศเพราะาตอนนั้นใจไม่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ได้สนใจกับอะไรใจอยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบอยู่กับความอิ่มอยู่กับความพออันนี้แหละเป็นการหาความสุขที่ถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่มีความเสียใจไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาถ้าเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆนี้มันจะต้องมีความวุ่นวายใจความเสียใจความลำคาญใจความอะไรต่างๆตามมาอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งต่างๆที่เราหามันมันไม่มันมันมีพิษในตัวของมันเอง มันชอบพ้นพิษใส่เราเรืเออ่อยเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ดีแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเป็นก็เปลี่ยนไปออพอมันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราปวดหัวขึ้นมาออใช้ของใช้ที่เราใช้อยู่นี่พอวันไหนเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาก็ปวดหัวแล้วออมีปัญหาต้องออกไปซ่อม เ, เวลาใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรให้เราให้ความสุขกับเรา แต่การหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่มันหาได้ตลอดเวลาทาได้ตลอดเวลาไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายมีเครื่องไม้ชนิดเดียวแล้วก็เป็นเครื่องไม้ที่มีอยู่ในตัวเราด้วยไม่ต้องออกไปหาที่ข้างนอกเครื่องมือที่เราต้องใช้ก็คือสตินี่เองเราต้องมีสติที่สามารถที่จะหยุดความคิดได้ ถ้าเรามีสติสั่งให้หยุดความคิดได้ใจก็สงบได้ทันทีถ้าสติเรายังมีกำลังน้อยเราก็สร้างมันขึ้นมาได้ตอนนี้พวกเรานั่งกันแล้วไม่สงบเพราะสติมีกำลังน้อยไม่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าเป็นรถก็เหมือนเบรกที่ไม่ดีเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดกว่าจะไปหยุดมันไปชนท้ายรถคันอื่นก่อนซสก่อน พอถึงพอพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่ า, าต้องเอาเข้าอู่แล้วต้องไปเติมเบรกไปเสริมเบรกไปซ่อมเบรกใจของพวกเราถ้านั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วไม่นิ่งก็สแสดงว่าเบรกเราไม่ดีเมื่อเบรกไม่ดีคือสติไม่มีกําลังพอเราก็ต้องไปเสริมสติขึ้นมาวิธีเสริมสติก็คือเราก็ต้องให้ให้ใจของเราคิดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคิดอยู่ครับ คำว่าพุทโธพุทโธให้เรารึกไปภายในใจอยู่เรื่อยๆบ่อยๆหัดนอกหัดท่องพุทโธไปภายในใจตอนเรียนหนังสือเรายังท่องกอไก่ขอไข่ได้เลยท่องหนึ่งสองสามได้ท่องสูตรคูณได้ท่องวิชาอะไรต่างๆได้เวลาเรียนมันต้องท่องจํากันประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีตั้งขึ้นเมื่อไหล่ปีเท่าไหร่แล้วก็ท่องกันไปอันนี้ก็เหมือนกัน วิธีที่จะสร้างสติขึ้นมาให้ท่องพุทโธคำเดียวนะมันง่ายยิ่งกว่าไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือต้องท่องกอไก่ขอไข่ท่อง A B C ท่องหนึ่งสองสามยากกว่าการที่จะมาท่องพุทโธพุทโธลองมาฝึกท่องพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยวันพอช่วงไหนว่างไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานก็มาพุทโธพุทโธดีกว่าอย่านั่งมานั่งคิดว่าไอ้คนนั้นเขาเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างไร เขาคิดถึงแล้วเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์เสีย อ, อกเสียใจขึ้นมามาคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธดีกว่าถ้าเราสามารถคิดพุดโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆความคิดอื่นๆมันก็จะเข้ามาไม่ได้ความคิดต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วพอเรานั่งสมาธินั่งหลับตาละพุโทโธพุโทโธก็จะนั่งได้ เมื่อไม่มีความคิดความรู้สึกอึดอัดมันก็จะไม่มีความอึดอัดนั้นเกิดจากความคิดที่อยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่พอต้องนั่งเฉยๆมันก็เลยรู้สึกอึดอัดขึ้นมานี่คือวิธีที่เราจะมาทำใจกันคือมาทำใจให้สงบมาทำใจให้นิ่งถ้าใจสงบใจนิ่งแล้วใจจะมีความสุขมากใจจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้อง มีอะไรมากสําหรับร่างกายก็ให้มันอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้ดูพระพุทธเจ้าขณะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังอยู่แบบพระมากน้อยสันโดษอยู่ดีท่านยังบิณฑบาต ท, ทุกวันหลังจากตัสรูแล้วก็ยังบิณฑบาตอยู่ถึงแม้จะมีคนมาถวายอาหารมีถวายลายให้กับพระองค์มากมายกายกองพระองค์ก็ไม่ได้ไปยึดไปถือเป็นอารมณ์ พองกับถือการบินทบาทเป็นอารมณ์เป็นการอยู่ของท่านไปเพอใจท่านไม่หิวกับอะไรไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญที่มีคนมาถวายให้ท่านก็อยู่ตามความมักน้อยสันโดษของท่านไปมีความสุขกับใจแล้วอะไรก็ได้ของภายนอกของเกี่ยวกับร่างกายนี้ พอให้มันเลี้ยงดูให้มันอยู่ได้ไม่อดตายก็ใช้ได้แล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ใจของเรานี้เย็นสบายไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเสียอกเสียใจเพราะไม่ได้มีความหวังความอยากความต้องการอะไรจากใครความเสียใจก็เลยไม่มีความผิดหวังก็ไม่มี เพราะไม่ได้หวังอะไรไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นเพราะใจมีความพออยู่ในตัวมีความสุขอยู่ในตัวและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะได้จากใครทั้งนั้นสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เท่ากับความสุขที่เราได้จากความสงบดังนั้นพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากใคร เราอยู่คนเดียวของเราได้อันนี้ไม่ได้เป็นความหยิ่งผยองแต่มันเป็นความจริงของจิตใจจิตใจไม่ต้องพึ่งพาสายไขไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตนตนมีความสุขในตนเองแล้วและเป็นความสุขที่เท่งแท้แน่นอนและถาวรที่จะไม่มีวันจากไปจากใจอยู่กับใจไปตลอดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะมาทากัน มาฝึกทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจจะมีความสุขจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายกายจะดา่าใครจะว่าอะไรก็ไม่เดือดร้อนกายจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเยงแต่รับรู้ไปเหมือนหยดน้ำบนใบบัวมันไม่มันไม่ซึมเข้าหากันใจก็ เป็นใบบัวไปหยดน้ำก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่มากระทบกับใจใจก็เพียงแต่สัมผัสรับรู้แต่ไม่ดูดเอาเข้ามาเวลาใครด่าก็ไม่ได้ดูดเอาเข้ามาในใจก็ปล่อยให้อยู่ที่ปากเขาอย่าเอาเข้ามาในใจเราพอเข้ามาในใจแล้วเราร้อนขึ้นมาทันทีถ้าใจอิ่มใจพอแล้วจะไม่ดูดอะไรเข้ามาในใจ แต่ยังต้องสัมผัสรับรู้อยู่เพราะยังมีชีวิตยังมีร่างกายยังต้องเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้เจอคนนั้นเจอคนนี้อยู่ก็เจอแบบใบหยดน้ําบนใบบัวไปไม่เหมือนกับใจที่หิวโหวยที่มีตันหาความอยากนี่มันจะเป็นเหมือนกับหยดน้ําบนกระดาษซับเนี่กระดาษซับกระดาษเสืมเนี่ยลองหยดน้ําเข้าไปดูเลยมันโดดเข้าหากันเลย มันหยดน้ำหายไปหมดเลยถูกกระดาษซับดูดไปหมดใจของคนที่มีความอยากก็แบบเดียวกันพอใครเขาพูดชมหน่อยนียิ้มปั้นไปทั้งวันนะฮะพอใครเขาด่าคาเดียวนี่ก็โกรธไปทั้งวันนี่แหละคือใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้ทำใจก็เลยต้องถูกสิ่งต่างๆมากระทบกระเทือนใจ แต่ถ้าได้ฝึกฝนอบรมทำใจเป็นทใจให้สงบเป็นแล้วจะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนใจได้สิ่งต่างๆที่มาให้ใจสัมผสัสรับรู้ก็เพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นแต่จะไม่มาทำให้เกิดความสะเทือนใจแต่อย่างใดนี่แหละคือความสุขอันเลิศประเสริฐที่สุดก็คือการทำใจงั้นก็ขอให้ท่านมหัดฝึกสติกันมหัดนั่งสมาธิกันเถิด แล้วจะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่นี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปริ ป, ป, ปุเรนติสาขังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปปติ อิติตังปิติตังตุมหังคิปะเมวาสมิตาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัปปะโรโควินัศตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีคายุโกผวะพิวัตนสิลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางวันนี้กามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสองร้อยเก้าสิบหกยูทูบสองร้อยสามสิบวิทยุออนไลน์สามสิบหกรับฟังข้างบนนี้หกสิบสองคนรวมทั้งหมดหกร้อยี่สิบสี่ครับใครอยากจะถามอะไรช่วงนี้ก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ท่านที่มาที่หลังถ้าต้องการจะถวายของหรือทําอะไรก็เชิญถ้าไม่ทําอะไรก็หาที่นั่งเชิญนั่งว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีการสนทนาธรรมกันก็วเวลาสนทนาธรรมก็ควรจะอยู่เฉยๆกันเพราะถ้ามีความพลุกพล่าน ทำให้อัตรักของการฟังธรรมมันเสียไปการจะฟังธรรมให้มีอัตลักให้มีประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังฟังอยู่เพียงเรื่องเดียวแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่ากำลังฟังอะไรแล้วก็จะได้ประโยชน์ เพราะทรนี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจจะทำให้ใจเราเย็นจะทำให้ใจเรามีความสุขกันถ้าไม่มีใครถามก็เอาทำถามจากทางบ้านเข้ามาถามก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมีญาติชอบทาบุญตามวัดเยอะๆแต่พ่อแม่จะหยิบยืมต้องมีของมาไว้เป็นหลักประกัน ที่น้องลำบากลูกแชรธรรมะของพระอาจารย์ให้เขาฟังว่าทำบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันเขาไม่ฟังลูกแค่ขอให้เขาตาสว่างมองคนใกล้ตัวบ้างเจ้าคะ่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกก็บอกเขาไปส่วนเขาจะฟังไม่ฟังมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับเขา เรามีหน้าที่บอกเราก็บอกเขาแล้วเมื่อเขารับทราบแล้วเขาฟังหรือไม่ฟังเขาเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธนี้ปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานกันแต่ทาไมบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นคนบอกเราไม่ได้เป็นคนผเดินให้เขา เราบอกทางเขาแล้วเขาต้องเดินเองถ้าเขาเดินเขาก็ไปถึงถ้าเขาไม่เดินเขาก็ไปไม่ถึงเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเดินได้อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่สามารถไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เราบอกเขาได้ถ้าเขาถามหรือว่าเราอยู่ในฐานะที่ควรจะบอกเราก็บอกไป ส่วนก็จะฟังไม่ฟังก็จะทําตามหรือไม่นี้มันเป็นเรื่องของเกาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราคําถามต่อไปจากคุณเพนพันธุ์พระภิกษุมีไตรจีวรได้สูงสุดกี่ชุดเจ้าคะถ้าฝนตกมากๆจะถวายจะเพียงพอใช้ได้หรื อ, รอไม่เห็นพระเป็นวัดบ่อยๆถ้าถวายเครื่องอบผ้าจะผิดพระวินัยหรือไม่เจ้าค่ะ คือของพวกนี้มันไม่มีในสมัยพุทธกาลเครื่องอบผ้าอะไรพวกนี้มันก็มีไว้สําหรับะถ้าผ้ามันเปียกอก็ทำให้มันแห้งก็ไม่คิดว่ามันจะผิดวินยัยเพียงอาจจะผิดธรรมเนียมของพระกรรมฐานโดยเฉพาะพระปฏิบัตินี้ท่านไม่ต้องการที่จะมีอะไรพึบพลุงพลังมาก ท่านต้องการสันโดษมากน้อยมีให้น้อยที่สุดท่านก็เลยมีแค่หนึ่งชุดก็พอผ้าตายหนึ่งชุดก็พอในพระวินัยไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องมีกี่ไม่ให้มีเกินกี่ชุดนมีร้อยชุดก็ได้มีใครก็อยากจะถวายร้อยชุดก็รับได้แต่ท่านสอนให้ใช้ชุดเดียวมีในข้อในทุดงควัดทุดงควัดก็คือ ข้อเรียกว่าออปชันพิเศษคือไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้เป็นข้อสั่งแต่ข้อแนะนำว่าถ้าอยากจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยความมากน้อยสันโดษทุนงงนี้เป็นการแสดงความมากน้อยสันโดษจะให้ถือผ้าเพียงหนึ่งชุดก็พออย่างที่เมื่อกี้ได้เทศให้ฟังก็ไม่ต้องไปซักมันทีสามผืนก็ซักผัดกันซักไป มีสามผืนก็ซักผืนหนึ่งยังมีอีกสองผืนไว้ใส่อยู่พอซักอีกผืนแห้งแล้วก็ อ, อ่อยผืนหนึ่งไปซักก็ยังมีอีกสองผืนไว้ <c oughs> พระพุทธเจ้าออกแบบว่าพอดีดีแล้วมีเพียงชุดเดียวก็พอเพราะมีมากมันก็ยุ่งอ่ะต้องไปหาที่เก็บแล้วพระธุดงก็จะไปเก็บที่ไหนละ่ะพระทุดงค์เาเดินทุดงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อยู่ที่นี่สักสิบห้าวันเดือนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนที่ละ เพราะการปฏิบัตินี้สําหรับผู้ที่ปฏิบัติบางทีต้องคอยเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆมันถึงจะกระตุ้นสติไงถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันเริ่มชินแล้วมันสติมันจะหายไปละแต่ถ้าไปอยู่ที่ใหม่ๆที่แปลกนี่มันจะต้องคอยระมัดระวังคอยสอดส่องว่าตรงนู้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามันก็จะทําให้เกิดมีสติขึ้นเนี่ยนี่สาเหตุที่พระท่านคอยเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยๆ เพื่อคอยกระตุ้นสติให้มีความระมัดระวังพออยู่ที่แปลกหน้าแปลกที่แล้วมันจะต้องมีความระมัดระวังเวลานอนก็ไม่ได้นอนแบบครอกคลอกนอนแบบระมัดระวังพอมีอะไรผิดปกติหน่อยนั้นจะตื่นขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของพระธุดงพระปฏิบัติท่านจึงมีของน้อยที่สุดท่านมีแค่แปดชิ้นนันที่พระเจ้าให้เอาติดตัวไป เอาบาดหนึ่งใบแล้วบาทนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนอกจากเอาบินธบาตแล้วยังเป็นที่เป็นกระเป๋าเดินทางไปในตัวเอาผ้าที่ไม่ได้ใช้นี่ใส่เข้าไปในบาทเอาของที่ของที่ใช้ติดตัวไปใส่ในบาทเอามีดโกนใส่ไปในบาทเอาที่กองน้ำใส่ไปในบาทเอาอะไรต่างๆที่จะใส่ใส่เข้าไปไม่ต้องซื้อกระเป๋าเนี่ยผ้าผาแท้นี่เขาไม่ใช้กระเป๋าหรอก พระที่เดินทางไปมีกมีเป้มีอะไรนี้ไม่ใช่พระแล้วพระต้องใช้บาทเนี่ยบาทนี่เป็นสมบัติของพระเวลาบวชอุปชาไม่ได้ให้กระเป๋าติดตัวมาด้วยนี่เวลาบวชนี่อุปชาให้บริขารแปดเท่านั้นเองนี่แหละคือสมบัติของพระพระตุดองพระสมัยหลวงปูม่ม่นนี่ท่านมีแค่แปดชิ้นท่านไปไหนท่านก็มีแค่แปดชิ้นนี่ท่านไปทุ่ดงในป่า ท่านก็เอาบาตแล้วก็เอาผ้าจีวรที่ท่านไม่ได้ใส่ใส่เข้าไปในบาตะของที่ media, noir, White eks, huh О ไม่ของใช้ไม่สอยเช่นใบมีดกรนที่กองน้ําท่านก็ใส่ไว้ในบาตรแล้วท่านก็สะพายกรดเป็นเป็นล่มเป็นมุ้งแค่นี้ท่านก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้วสะดวกสบายสมัยก่อนถ้าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ขึ้นเครื่องกันะทุดงบนเครื่องบินกัน นั่นก็คนละยุคคนละสมัยเอไม่รู้ไม่รู้คําถามถามอะไรเมื่อกีออ้เรื่องผ้าตาใช่ครับสามมีกี่ชุดครับพระวินัยไม่ได้ห้ามแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าแนะนําอย่างไรแนะนําบอกให้มีชุดเดียวเออแล้วสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักผ้าไม่มีเครื่องอกผ้าก็อะไรไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ คำถามต่อไปจากธรรมะในสวนวันนี้ผู้ปฏิบัติจะเดินทางกลับสองท่านพรุ่งนี้อีกสามท่านจึงขอความเมตตาหลวงพ่อให้ข้อธรรมในการนําไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจําวันเจ้าค่ะ อ, อ่การมาปฏิบัติก็เพื่อมาศึกษานีมาศึกษาความรู้ที่เราจะเอาไปใช้ต่อไปไม่ใช่มาศึกษาแล้วพอไปก็ทิ้งไวท้ที่ที่ศึกษาไม่เอาติดตัวไป เราศึกษาอะไรลศึกษาศีลแล้วก็เอาศีลไปใช้ต่อศึกษาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไปใช้ต่อไม่ใช่ว่าเวลามาโรงเรียนก็เรียนเวลาไม่เวลาไม่อยู่โรงเรียนก็ไม่เอาความรู้ที่ได้เรียนเอาไปใช้เรียนเพื่อเอาความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินชั้นใดเรามาเรียนวิทยา เรียนธรรมะก็เพื่อเอาธรรมะไปเป็นเครื่องทำธรมธรมะหากินของจิตใจธรรมะนี่แหละเป็นอาหารของจิตใจถ้าใจมีธรรมะแล้วใจจะสุขใจจะอิ่มใจจะไม่หิวใจจะไม่ทุกข์ยากลาําบากดังนั้นที่มาฝึกนี้ก็เพื่อที่จะได้เอาไปทําต่อไม่ใช่มามาฝึกแล้วก็พอกลับไปก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมก็มันก็จะไม่ก้าวหน้า การที่เรามาถือศีลแปดนี่แสดงว่าเราก้าวหน้าแนละ้วจากศีลห้าขึ้นสู่ศีลแปดนี่ก็เรียกว่ากนะ้าวหน้าคือก้าวจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนะมานั่งสมาธิก็ก้าวจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมหาความสุขจากความสงบแทนที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกลับไปบ้านก็ทําต่อเอ ถ้าไม่ทําต่อก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็เราจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่การกระทําของเราอถ้าเราอยากจะได้ทำเราก็ต้องทําปฏิบัติธรรมต่อจะทําได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่สถานภาพของที่เราอยู่บางทีกลับไปแล้วมันต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมันก็ไม่มีหรือมีน้อย แต่ก็ควรที่จะหาหาให้ได้อย่างน้อยให้มันได้บ้างก็ดีกว่าไม่ได้เลยเช่นเคยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนก็ลองกลับไปสวดมนต์ไหว้พระต่อเดินเช้าขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระต่อไปนั่งสมาธิสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วถ้ารักษาศีลแปดบางข้อได้ก็รักษาไปก้อไหนยังรักษาไม่ได้ก็ยังไม่ต้องรักษา พยายามปฏิบัติไปธรรมเหล่านี้จะอยู่กับเราก็อยู่อยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมันมันก็จะอยู่กับเราถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่อยู่กับเรายันที่เรามามาอยู่ที่สถานที่เนี่ยในในสวนธรรมะในสวนนี้ก็เพื่อมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติธรรมเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติต่ตอ เราจะได้ก้าวหน้าจะได้ไม่ถอยหลังถ้าเราไม่ปฏิบัติเราหยุดแล้วเรากลับไปทำเหมือนที่เราเคยทำเดี๋ยวความทุกข์ความวุ่นวายใจแบบเดิมก็จะกลับมาหาเราอีกคําคำถามต่อไปจากคุณจัญญามีสองคำถามครับคำถามแรกจิตก่อนตายเราสามารถบังคับภาพที่ปรากฏได้หรือไม่ครับให้ปรากฏแต่ภาพของบุญ มันจะบังคับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราทำได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่ตายนี้ถ้าเราบังคับไม่ได้ตอนที่จะตายมันมันมันจะวุ่นวายเนาะก่านเราพอจะรู้จะตายนี้มันจะวุ่นวายยิ่งกว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่วุ่นวายยังทำไม่ได้แล้วตอนที่มันตอนที่มันจะตายมันจะไปทำได้อย่างไรต้องฝึกฝนอบรมเหมือนนักมวยนักมวยก็ตอนขึ้นเวทีก็เหมือนกับจะขึ้นไปตายนั่นแหละ ต้องไปเจอคู่ต่อสู้เดี๋ยวเขาก็ต้องบุกนะเขาก็ต้องแยบ็บเขาก็ต้องต่อยแนละ้วเรารับสู้เขาได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนถ้าเราซ้อมไม่ก่อนพอเขาต่อยมาแล้วก็ต่อยกลับไปได้สู้เขาได้งั้นเราอย่าไปกังวลกับจิตสุดท้ายจิตเวลาตายเลยกังวลกับจิตปัจจุบันก็ดีกว่าว่าตอนนี้ทําได้หรือเปล่าควบคุมใจเราได้หรือเปล่า ถ้าตอนนี้ควบคุมใจไม่ได้ตอนตายก็ควบคุมใจไม่ได้ถ้าตอนนี้ควบคุมใจได้ตอนตายก็ควบคุมใจได้คำถามที่สองเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรมหมายถึงผู้นั้นปฏิบัติจนได้ฌานใช่ไหมครับหรือตายขณะเข้าฌานครับะพะจิตเขาได้ฌานแล้วเวลาตายจิตมันก็จะเข้าฌานของมันโดยอัตโนมัติ คำถามต่อไปจากคุณสิริลูกชอบดูกระดูกเท้ามากและจะใช้สิ่งนี้ในการทำสติและทำปัญญาได้หรือไม่อย่างไรครับก็ถ้าเราดูมันมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันก็เป็นสติดูกระดูกเท้าไปเรื่อยๆแล้วถ้าคิดว่าเนี่ยต่อไปกระดูกเท้านี้มันก็จะต้องโผล่ออกมาตอนนี้มันมีหนังมีเนื้อหุ้มหออยู่ ต่อไปวันใดวันหนึ่งมันอาจจะหนังเนื้อมันอาจจะหายไปก็ได้เช่นเวลาตายไปแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะกระดูกที่เท้าเท่านั้นกระดูกทั้งร่างกายมันก็จะโผล่มาเห็นไหมคนตายเนี่ยเรามักจะเห็นโครงกระดูกของคนตายกันคนเป็นเรามองไม่เห็นกันเพราะเขาไม่ยอมให้มองเขาไม่ยอมให้ผ่าแต่คนตายนี้เขาก็อนุญาต ไปลอกหนังลอกเนื้อออกไปให้หมดเราก็จะเห็นโครงกระดูกก็พิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีมีกระดูกอยู่ตั้งแต่ศรีรษะลงมาถึงถึงเท้าเลยไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่เท้าเพียงอย่างเดียวร่างกายของคนทุกคนถ้าเราเห็นโครงกระดูกของเขาแล้วเราจะมองเขาไปอีกมุมหนึ่งเลยแทนที่จะมองว่าเขาจะอยู่ไปเรื่อยเรเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายนะ การที่จะไปมองว่าเขาสวยเขางามก็จะมองว่าไม่สวยไม่งามเลยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความปล่อยวางทำให้เกิดความไม่ยึดไม่ถือไม่อยากขึ้นมาก็จะอยู่อย่างสบายไม่มีความอยากได้ร่างกายของใครมาเป็นแฟนคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคารว่าสามารถรักษาสินสิบ หรือศีลข้ออื่นๆได้อีกไหมครับก็ทุกคนะที่ไปรักษาศีลก็เป็นคารวะก่อนทั้งนั้นะมีใครเป็นพระมาก่อนไม่มีหรอกทุกคนเกิดมาก็เป็นคารวะกันทั้งนั้นแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาก็เลยไปถือศีลกันมันก็เป็นคารวะทั้งนั้นมีมีพระก็มาเกิดที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องเป็นคารวะก่อนแล้วถึงจะไปถือศีลได้ศีลห้าศีลสิบศีลร้อยี่สิบศีลอะไรก็ ก็ต้องเป็นคารวะกันมาก่อนคำถามต่อไปจากคุณบิก๊กการไหว้พระภูมิเจ้าที่จําเป็นหรือไม่ครับแล้วแต่เราไงถ้าเราจําเป็นเราก็ต้องไหว้ถ้าเราเห็นว่ามันจําเป็นเราก็ไหว้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไหว้คําถามต่อไปจากคุณสุ ด, ดาพร ลูกกราบขอให้พระอาจารย์อธิบายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับรูปก็คือร่างกายไงร่างกายที่มีอาการสามสิบสองที่เรามองเห็นกันอยู่นี่คือรูปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมองเห็นเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังใต้ผิวหนังมองไม่เห็นกันแต่ก็ศึกษาได้ไปดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ก็จะมี ภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เห็นภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีตับมีหัวใจมีปอดมีลำไส้มีน้าชนิดต่างๆนี่คือรูปคือร่างกายอาการสาสิบสองส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี้เป็นอีกคนหนึ่ง มาเกาะติดกับร่างกายเป็นเหมือนสามีภรรยากันมาแต่งงานมาอยู่ร่วมกันใจก็มีความรู้สึกนึกคิดเวทนาก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาตอนนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันมีสามตัวนี้สแสดงตัวผัดกันสแสดงอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เรานั่งเฉยๆก็จะรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ บางคนอาจจะสุขก็ได้ฟังธรรมแล้วมีความรู้สึกสุขก็เกิดความรู้สึกขึ้นมานี่เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เวลาเราเห็นรูปเวลาเรายินเสียงเราก็จำเสียงนั้นได้จำรูปนั้นได้เรียกว่าสัญญาจำว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง พอรู้ว่าคนนี้เป็นใครความพิษก็คิดเกิดขึ้นมาว่าแล้วเราทําไงดีถ้าเป็นเพื่อนเราก็ไปทักทายเขาถ้าเป็นคนไม่รู้จักเราก็เฉยเฉยไปถ้าเป็นศัตรูแล้วก็วิ่งหนีหาที่หลบถ้าไม่ต้องการจะเผชิญหน้าก็หาที่หลบอันนี้ก็คือความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารวิญญาณก็คือผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายมาให้ใจได้รับรู้นั่นเองเี่ เราจะเห็นรูปได้ต้องมีวิญญาณเป็นผู้ไปรับรูปจากตามาเราจะได้ยินเสียงต้องมีวิญญาณทางหูไปรับรูปไปรับเสียงจากหูมาที่ใจนี่เรียกว่าวิญญาณนี่คืออาการสีอาการที่มีมากับใจด้วยกันเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดเรียกว่านา ม, มาขันส่วนร่างกายนี้เรียกว่ารูปประขัน เมรุ ป, ประขันรูปปะขันมีหนึ่งนามขันมีสี่พอมารวมกันแล้วก็เรียกว่าขันห้ารวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรานี่แหละพวกเราทุกคนนี่แหละมีหขันด้วยกันมีรูปปะขันคือร่างกายมีเวทนาขันคือความรู้สึกมีสัญญาขันคือความจําได้ มีสังขารคือความคิดปรุงแต่งมีเวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเด้นกายเนี่ยนี่คือขันห้ามีเท่านี้แหละคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟผมมีโอกาสบวชเจ็ดเดือนเมื่อปีที่แล้วหลายครั้งมีความคิดเข้ามาว่าอยากไปใช้ชีวิตในเพศปันปชิตอีก เพราะช่วงบวชมีความสงบและเห็นความเรียบง่ายไม่วุ่นวายแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ครับไม่หรอกความอยากในทางดีนี้เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นฉันทะเป็นความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมนี้ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่เป็นกิเลสความอยากในธรรมนี้ไม่ใช่กิเลสความอยากที่เป็นกิเลสคือความอยาก ได้ลาบยศจัลเสรินความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราถือศินแปดจะสามารถจับต้องเสื้อผ้าของลูกชายได้ไหมเจ้าคะและนั่งหมดรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ไหมเจ้าคะแล้วแต่เราจะเข่งหรือไม่เข่งเเกยกับการถือสินแปดนี่มีถือแบบ ถือกับถือแบบพระกับถือแบบโยมถ้าถือแบบโยมก็ยังต้องอยู่กับคนในบ้านอยู่ก็อาจจะแตะต้องกันไปก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลเพราะว่าศีลแป่จะผิดก็ตอนที่ไปร่วมหลับนอนกันเพียงแต่ไปแตะเนื้อต้องตัวนี้ยังไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวอาจจะห้ามใจไม่ได้ จะเกิดไปแตะของของเพศตร ง, ตร ง, ตรงข้ามแตะแล้วเดี๋ยวเกิดปุงแต่งเกิดตันหาความอยากขึ้นมาจนทําให้เกิดมีอารมณ์ทนไม่ได้เดี๋ยวต้องไปร่วมเพศกับเขาเขาจึงป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอย่าไปจับต้องของที่เป็นของเพศตรงกันข้ามจะดีกว่าอย่าไปแตะเนื้อต้องตัวอย่าไปจับของผันของของผู้อื่นของเพศตรงข้าม เพื่อจะได้ละ ง, งับไม่ให้เกิดไฟช็อตขึ้นมาอพอไฟช็อตแล้วเดี๋ยวมันมอแปงลงระเบิดนเดี๋ยวสินขาดงั้นก็แล้วแต่เราจะถือถ้าจะถื อ, ถถอแบบคารวาต้องอยู่ร่วมกันต้องซักเสื้อผ้าให้ลูกหรือให้สามีแต่ยังถือสินแปดอยู่คือไม่ร่วมหลับนอนกับสามีอย่างนี้ก็ยังถือว่ารักษาสินแปดได้อยู่ อดแล้วนะแต่ถ้าสำหรับนักบวชนี่เขาอยากจะให้ป้องกันไว้เพราะถ้าเกิดมันผิดศีลแล้วมันจะทำให้ต้องขาดจากการเป็นพระไปก็เลยต้องระวัดระวังเป็นข้อพิเศษก็เลยไม่ให้แต่ต้องเนื้อต้องตัวแม้แต่อยู่กันลำพังสองต่อสองก็ไม่ให้อยู่ระวางนักบวชกับศีกานี่ไม่ให้อยู่กันในที่รับหูรับตาถ้าจะอยู่ต้องอยู่ที่ ไม่รับหูรับตามีคนเห็นมีคนอื่นเห็นอยู่ว่ากำลังพูดกำลังทำอะไรกันอยู่เพราะว่าถ้าอยู่กันสองแต่สองเดี๋ยวก็ซุบซิบนู่นซุบซิบนี่ <laughs> น <laughs> เดี๋ยวก็เดี๋ย <laughs> วก็ขอนวนนูนน่นนว น, นี่ให้ <laughs> <laughs> <laughs> ตอนตอนน้นนอกจาเริ่มที่นวดแค่นั้นอะ อ้าวมันจะจับนวดต้องตัวมันก็ต้องนวดกันใช่ไออนวดกันก่อนโอ๊ยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วกันช่วยช่วยบีบให้หน่อยช่วยจับให้หน่อยเอเดี๋ยวมันก็ลามปามไปเองอ่ะยันพระพระอยู่กับศีกาสองต่อสองไม่ได้ต้องอยู่กับเมย์คนรับรู้ไม่ให้อยู่ที่รับที่แจ้งนับหูรับตาเออ ต้องอยู่ที่มีคนอย่างเนี้ยออยู่ได้บางทีมีความจําเป็นจะคุยกันคนอื่นเนี่ยไปหมดแต่ยังอยู่สองต่อสองอยู่ยังคุยไม่เสร็จแต่คนอื่นยังเห็นยังรู้อะไรอยู่นี่ก็ยังพอที่จะอ่อนุโลมได้อ<ม>แต่ไม่ใช่ไปที่ซอกไหนบุมไหนสองคนไม่มีใครเห็นอย่างนี้อันนี้เขาก็ไม่รู้เราไปพูดไปทําอะไรกันหรือเปล่าอืม คำถามต่อไปจากคุณบิ๊กสวดมนต์ไม่เก่งแต่ชอบฟังพระอาจารย์ฟังได้ทั้งวันจะได้บุญไหมครับได้อยู่ที่ผลถ้าเราฟังแล้วสงบมันก็เหมือนกับสวดมนต์การสวดมนต์ก็เพื่อทำให้ใจเราสงบฟังธรรมก็ทําให้ใจเราสงบได้เหมือนกันฉั้นเป็นวิธีทดแทนกันได้ถ้าเราสวดมนต์ไม่เป็นเราก็อาศัยการฟังธรรมไปเพื่อทําใจให้สงบก็ได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมความรักทำให้เกิดทุกข์มากครับเพราะความรักมันเป็นความรักที่มีความยึดติดด้วยมีความหวงความห่วงถ้ารักแบบไม่ยึดไม่ติดนี่จะไม่มีทุกข์นะที่มันทุกข์เพราะว่ามันมีอุปทานความยึดติดความถือว่าเป็นของเรางัต้องรักแบบต้องรักแบบไม่ถือว่าเป็นของเรา เป็นสมบัติผัดกันชมอย่างนี้ไม่เป็นไรอะตอนนี้เขาอยู่กับเราพรุ่งนี้เขาจะไปอยู่กับคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ถ้าจะรักต้องรักแบบนี้รักแบบใจกว้างอย่ารักแบบใจแคบแต่ไม่มีหรอกมนุษย์ไหนในโลกนี้ที่รักแบบใจกว้างเพราะทุกคนรักแบบกิเลสทั้งนั้นทํ้รักก็รักเลยทาไมรักก็ไม่รักเลยจะให้มารักแบบใจกว้างนี่ไม่มีหรอก นอกจากรักแบบพ่อแม่กับลูกเนี่ยยังรักแบบใจกว้างคือรักในแบบแบบแม่ไม่ไปครอบครองเขาถึงแม้จะครอบครองก็ไม่ไม่ได้ครอบครองในเรื่องของการร่วมเพศกันอย่างยินดีให้ลูกไปมีผัวมีเมียได้อยู่ไม่ใช่พ่อแม่รักลูกจนกระทั่งหวงลูกอ้ามมีผัวอ้ามมีเมียถ้าอย่างนี้ก็รักแบบกิเลส คำถามต่อไปจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงครับลูกสวดมนต์บทธรรมจักกับ ป, ปวัตตนสูตรและแปลด้วยในคำที่แปลที่บอกว่าปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจว์4เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบ3มีอาการ12เรียนถามว่ารอบ3คืออะไรและอาการ12คืออะไรครับเพราะเคยรู้จักแต่อาการ32ครับ เราก็ไม่รู้เหมือนไม่รู้เล่าสา ม, มันแปลว่าอะไรต้องไปค้นหาดูในพระไตรปิฎกเขาคงจะมีที่อธิบายต่ออีกทีห น, นึ่งเนี่ยการศึกษาจากพระไตรปิฎกบางทีมันก็ทำให้ค่อนข้างจะสับสนได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันแล้วโดนติ ว่าฟังทมแล้วได้อะไรหนูก็ตอบไปว่าทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้หนูตอบผิดไหมเจ้าคะ่ะออหนูได้อะไรหนูก็ตอบไปตามความเป็นจริงมันก็ไม่ผิดเลยหนูฟังแล้วไม่ฟุ้งซ่านหนูแล้วได้ความรู้ได้ความสงบก็พูดไปตามความเป็นจริงเขาอยากจะรู้ว่าเราฟังแล้วได้อะไรเราก็บอกเขาไปเท่านั้นเองหมดแล้วเหรอคาถามแต่อย่าไปบอกในสิ่งที่เราไม่ได้ ว่าฟังแล้วโอ้ได้เป็นพระอริยะขั้นนู้นขั้นนี้มีอิทธิริ์ปาธิหารนรกชชาได้อะไรอ้ันนี้ถ้ามันไม่มีอยู่นมันไม่เกิดเดีายวไปพูดพูดแต่เฉพาะสิ่งที่มันเกิดกับเราถ้าฟังแล้วเราสบายใจก็บอกเนี่ยเวลาไม่สบายใจฟังทำแล้วหายมีความสบายใจเกิดขึ้นตามมาเป็นเหมือนยาธรรมโอสดยารักษาใจรักษาความไม่สบายใจ